ในช่วงธรรมารนุวปสนานี่ต้องไปดูเอาเองเนในวันนี้นะเป็นวันของธรรมานุวัปสนาแต่ก็แนะไว้นิดหนึ่งว่า <c oughs> ในช่วงเวลายาวๆที่เรานั่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจะนั่งรอดูอยู่ใดจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันรับไม่ได้จิตมันก็จะเบือ่อจะเซ็งจะทื่อจะทนจะง่วงจะเงาจะเงียบไปโดยที่ ช่วงเวลานั้นจะเสียไปในบทว่าด้วยว่าด้วยที่สเพสังคารานะสเพสังคาราอนิจจติในช่วงท้ายท่านบอกว่าโอกาอนุกมาคมาวิเวเกยัตถทูระมังตัตราพิรติมิเชยะอิตวาอากาเมอกินจจนจงว่าถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากเนี่ยความหมายตรงนั้นที่เราจะเข้าใจกับตัวเองนว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงมาถึงที่ไม่อโนกับมาคัมมาคือมีน้ํำหมายว่ามีอารมณ์มีความคิดปรุงแต่งมีความสบายไม่สบายพวกนี้เป็นอารมณ์ ท่เปียกเหมือนน้าเปียกแช่ชุ่มโชคไปด้วยความรู้สึกเหล่านี้เหมือนการใส่เสื้อผ้าที่มันเปียกรู้สึกยังไงมันร้อนมันหนาวมันแสบมันคันมันอึดอัดแต่พอเราเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกเราคงจะนึกภาพออกตราเวลาเราไปที่ไหนตักฝนหรือว่าเราจําเป็นต้องลงน้ําลงลุยน้ําไปทําอะไรสักแห่งหรือกลับขึ้นมาเรารีบไป อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใหม่รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวถ้าให้สลัดอารมณ์แบบนั้นออกอารมณ์ที่มันเปียกมันชื้นมันแฉะคือความความปรุงแต่งความอยากความหวังความปรารถนาความอะไรต่างๆที่มันรู้สึกอึดอัดขัดข้องขัดเคืองอะไรไปหมดเนี่ยเหมือนท่านเปิดเสมือนน้ำท่านบอกให้มาถึงภาวะที่ไม่มีน้ําหมายความภาวะที่ไม่ต้องไปใส่ใจต่อกัน องแต่งไม่ต้องไปใส่ใจกับความคิดความหวังอะไรให้มาดูฉันบอกต่อมาว่าวิเวเกยัถาทูระมังตัตตราเ <c oughs> ฮรติมิเชยะิตวาอากินเจโนจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์อินเดียได้โดยยากไม่มีความกวนเอากินเจโนไม่มีความกวน คือไม่ต้องในขณะที่เํานั่งปฏิบัติไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปทําอะไรไม่กังวลว่าเราจะไปเพราะเราสละมาทั้งหมดละสละการสละงานสละช่วงเวลาสละความรับผิดชอบในครอบครัวสละเรื่องรายได้เรื่องกําไรขาดทุนสละเรื่องธุรกิจในช่วงเวลทีเราตัดมาแล้วเนี่ยเหมือนนึงว่าเรามาอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ต่างประเทศอยู่แดนอีกแดนหนึ่งที่ไม่มีเรื่องเหล่านี้อยู่เลย ไม่มีเรื่องอย่านี้อยู่ในหัวเลยกินเจนูตัดความกังวลเหล่านี้ออกไปแม้แต่ช่วงสั้นๆถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็จะมีพลังมากเหมือนกับเร า, าล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ลงโปรแกรมใหม่พักหนึงเนี่ยมันก็ลือเอาไวรัสเอาขายะเอาอะไรออกไปเอาจังทั้งหลายเนี่ยออกไปคอมพิวเตอร์ใหม่มก็จะแล่นไวขึ้นไม่อึดอาดไม่มีอะไรมารบกวนใครอย่างนั้นนะ ที่ตัดเอาความกระวนออกไปช่วงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดหมายา็ว่าเรานั่งเนี่ยความเงียบงนันความสงบความไม่มีอะไรได้ยินเสียงสงบเราลองยินดีพอใจในสภาวะแบบนั้นภาวะที่เงียบไม่มีได้ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงเพลงไม่มี สิ่งที่จะต้องล่อให้เรานึกเราคิดอะไรในสถานที่บางแห่งเนี่ยมันมีความสั่งษ์ที่ใช้คำว่าวิเวกเนี่ยมีความวิเวกสูงวิเวกเเกยะธาทูรมังจนดียินดีความวิเวกตัวนี้มันวัดได้บางแห่งมีความวิเวกสูงตรงนี้มาวัดได้ประมาณสักห้าหมืนเก้าเองเนะแต่ความวิเวกตั้งแต่สองแสนเก้าขึ้นไปเนี่ยมันจะภาวนาได้อารมณ์ใยมากอย่างน้อยอยังต่ําสุดสักแสนเก้าเนี่ยการภาวนา ถ้าความวิเวกต่ําสักหมื่นเก้าลงมาเนี่ยมันสู้อารมณ์มากมายไปหมดมีเสียงรถมีเสียงรถคนมีเสียงโทรทัศน์วิทยุมีเสียงคุยกันมีเสียงเต่าคลามาหอนอะไรพวกนี้มันจะทําให้ความสงัดวิเวกหายไปที่ที่จิตของเราก็จะถูกดึงออกตามเสียงไม่ถูกดึงออกตามเสียงแต่เราก็จะโฟกัสให้สมาธิสติมันเกิดมันก็ยันกันนี่ลักษณะที่มี ความวิเวกต่ำจะทำให้เราต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาเข้าภาวนาเนี่ยตามปุติีเขาก็จะปิดวาจากันแต่ว่าในวิธีการของพวทเทียนเนี่ยเราไม่ต้องการทำอะไรให้มันเป็นผิดธรรมชาติแต่ไม่ถึงกับปิดทีเดียวแต่ว่าพูดน้อยหน่อยเท่าที่จาเป็นแทนที่มันจะดังไปยิงได้ยินกันสามสี่คนก็ให้ดังได้ยินเฉพาะสองค น, นเวลาพูด มีความจำเป็นต้องพูดก็ไม่ถึงกับปิดวาจาแต่ว่าพูดเท่าที่จำเป็นและเสียงเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้เพื่อจะรักษาความวิเวกให้จิตของเราได้ไปยินดีในความสงัดวิเวกนี้สักพักหนึ่งไห้ตัวสงัดวิเวกที่เราจิตของเราไปไปรับรู้ไปเสพไปยินดีด้วยเนี่ยค่ามันเป็นการชำระเหมือนกับเราถ้วยชาที่มันเลเอะเทอะือกลางไปด้วย อาหารเก่าเราก็ไปล้างไปล้างสะอาดจิตของเราที่มันเลอะเทอะเกลืองกังเพระาะเลยอารมณ์ตกค้างอดีตอนาคตความคิดต่างๆเลอะเทอะไปหมดพอมาจิตของเรามารับรู้ถึงความสงบส ง, บส ง, บสงบัดสักระยะหนึ่งเหมือนเราก็ใช้ความสงบสงัดนั้นล้างล้างจิตออกไปจิตของเราก็เหมือนใหม่ขึ้นมาแต่ให้รู้ถึงคุณค่ณาความสงบสงัดนั้นชัดๆ แต่ว่าเราไม่ได้ไปเสพว่าต้องต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะแต่ว่าในช่วงที่เราสัมผัสมันได้รับรู้มันได้ก็ให้รับรู้ให้มันชัดชัดนะอัน น, นตรงนี้มีมีความวิเวกระดับหนึ่งประมาณสักห้าหมื่นเกาเนี่ยมาว่าก็ใช้ได้ถือว่าปานกลางนะถ้าที่ดีขึ้นไปกว่านี้หนึ่งแสนถ้าดีที่สุดกค่สองแสนขึ้นไปฉะนั้นเวลาผู้ปฏิบัติมักจะไปหาในถ้ำในหิวในที่สงัดในที่วิเวกเพื่อที่จะได้ อารมณ์ต้องไม่ต่อไปต่อสู้ในสิ่งที่ดึงหลุดไปข้างนอกมากนักเพียงแต่กําหนดจิตมาอยู่กับอารมณ์ปั๊บนี่จิตมันก็เข้าที่ได้เลยเพราะมีความวิเวกภายนอกเป็นตัวช่วยนะมันก็ง่ายขึ้นมันก็ได้อารมณ์ได้สภาวะไดไวนะอันนี้ความหมายนะนั้นเวลาเรานั่งไปมันเกิดสงัดวิเวกไม่มีเสียงเลยเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเราทําเป็นละ แต่จิตของเรายังไม่เกี่ยวข้องกับคนนั้นเกี่ยวข้องคนที่จะพูดอันนั้นจะทำอันนี้ลุกไปทําน้นทํานี้ไปก็จะทําให้ตัวสงัดวิเวกนี่มันถูกลบกวนเพราะฉะนั้นในจุดนี้ลักษณะของการเก็บอารมณ์ให้ทําใจแบบนี้เวลาจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินก็ให้เบาที่สุดไม่ให้รบกวนผู้อื่นเวลาจะเอื้อมจะจับอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ตกดังครุ้มคราม หรือเสียงเดินเสียงอะไรต่างให้เบาฝึกวิชาตัวเบาตีนเบาเอาไว้เพื่อเราจะได้ฝึกตัวเองแล้วเราก็จ ะ, ะง่ายต่อการทำจิตให้อยู่ปัจจุบันได้นะัดังนั้นลองลอ ง, ลองดูในวันนี้เราเริ่มเก็บอารมณ์เข้มดูสักวันหนึ่งสักหนาทีนะเป็สักห่กห้าถึง7ดโมงวันนี้เราก็ตัดเ่องโยคะออกไปพอเรารับอาหารเสร็จประมาณแปดโมง มุ้งแปดมงึ่งเราใช้วอมก่อนที่จะเข้าสู่เก็บอารมณ์ช่วงที่สองเ ก, ก้ามงถึงสี่โมงเราก็เดินโยคมือสร้างจังหวสลับกันไปสักพักหนึ่งให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็เข้าต่อช่วงที่สองเก้ามงถึงสี่โมงช่วงที่สามบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเราก็ค่อนคลายด้วยการเดินทั้งสับนั่งไปพอบ่ายสามถึงห้าโมงล้วก็นั่งต่ออีกชุดหนึ่งจากช่วงเย็นเราไปอับน้าอับทารับ นามปัญาอะไรเสร็จก็ทำวัดสักนิดหนึ่งอนะาจะช่วงทุ่มถึงสามทุ่มเราก็ได้อีกชุดหนึ่งซึ่งอารมณ์มันจะต่อเนื่องกันไปนะเพราะว่าต่อไปเราต้องการไปเก็บไปทำที่บ้านเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นอันนี้คือแคๆว่าเป็นการทำเป็นตัวอย่างว่าเราจะทำใจอย่างไรความสงัดวิเว้ความเป็นส่วนตัวการทำอะไรเบา สบายผ่อนคลายแต่ว่าไปถึงกับการกเกลง็งเพ่งจ้องอะไรเหมือนเราอยู่คนเดียวทำเบาสบายช้าๆเนิบนาบเพรว่าเราตัดเวลาช่วงนี้มาทําเรื่องนี้แล้วลงทําให้มันชัดเจนดูมันก็จะทําให้จิตภาวนาของเราได้ไดชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นในจากช่วงนี้ไปอามาอยากจะขยายพื้นที่ซมใหม่นะ